6. อมูลกะสิกขาบท129ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ใส่ความภิกษุด้วยอามบัตสังฆาทิเศษที่ไม่มีมูลณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คีใส่ความภิกษุด้วยอาบัตสังฆาทิเศษที่ไม่มีมูลในอมูลกาศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐาน